ไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร ในวิญญาณย่อมไม่รู้จกักย่อมไม่รู้ทวดถึงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นสังคตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งตามเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งย่อมไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักมี ส่วนว่าพระอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมแห่งพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษ ตลาดในธรรมของสัตว์บุรุษได้รับแนะนาในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่ตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเป็นตนย่อมไม่เห็นว่าตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ ย่อมไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมไม่เห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ม่ใช้ตัวตนเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งยอมรู้ ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักมีและอริยสาวกนั้นก็ย่อมรู้ตลอดไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีต่อไปด้วย คือเพราะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณต่อไปอดีตส า, าวกนั้นก็ยมรู้ดังนี้ภิกษุน้อมใจไปว่า ถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ย่อมตัดสัญญาต้าเบืองต่ำได้ดังนี้ นี่เป็นพระพุทธาธิบายในพระพุทธอุทานที่เป่งขึ้นนั้นพิจารณาดูก็ย่อมจะได้ความเข้าใจตามสมควรว่าอันบุคคล สามัญทั่วไปนั้นย่อมมีตัวเรามีของเราเพราะยังตัดสัญญ o กิเลสที่เป็นเครื่องผูกใจไม่ได้ซึ่งสัญญ์นั้น ท่านแสดงไว้ว่ามีสิบประกาศและก็มีแสดงไว้ว่าโสดาปติมัติตัดสัญญอด้วยสามสกทาคามิมัติก็ตัดได้สามแต่ว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางยิ่งขึ้น อนาคามิมักตัดสัญญา์ได้ห้าอรหัตมักตัดได้หมดและในพระพุทธอุทานนี้ที่วัตัดสัญญา์ได้ห้านั้นจึงหมายถึงอนาคามิมักซึ่งท่านผู้ตัดได้ บรรลุอ น, นาคามีมักอ น, นาามีผลก็เป็นพระอนาคามีก็โดยที่น้อมจิตพิจารณาให้เห็นว่าถ้าเราพึงมีของเราก็มีก็คือเมื่อมีตัวเรา ก็ยังมีของเราและเมื่อมีตัวเราของเราอยู่อย่างเต็มที่ก็เป็นบุตุชนหรือสามัญญชนทั่วไปถ้ามีเราก็มีของเรา มีตัวเราก็มีของเราบุจชนทั่วไปหรือสามัญชนทั่วไปก็ยัเป็นดังนี้มีตัวเรามีของเราและตัวเราของเรานี่ก็คือ ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนั่นเองอุปาทานขันอันอุปาทานขันก็คือรูปอันแรแก่รู ป, ปรกายอันนี้เวทนาก็เป็นความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆวิญญาณก็คือความรู้เห็นรู้ได้ยินที่เรียกว่าการเห็นการได้ยินเป็นต้นทางอาจตนะะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รวมเรียกวันนามย่อเข้าจึงเป็นรูปเป็นนาม รูปก็คือรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นขันธ์ห้าซึ่งเป็นวิบากขันธ์ได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิคือการสืบต่อชาติพบปัจจุบันอันเนื่องมาจาก กรรมที่ได้ประกอบกระทํมการประทอบการประกอบกระทากรรมทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรมมาสังขารหรือกรรมมาพิสังขารความปรุงแต่งกรรมปรุงกรรมเพราะเหตุที่ ยังมีกิเลสอันมีเอาวิชาความไม่รู้ในสัจธรรมเป็นหัวหน้าจึงมีตัณหามีอุปาทานเป็นต้นเป็นตัวกิเลสก็ก่อกรรมขึ้นกรรมนี้เองก็เป็นชนกกรรมก่อให้เกิดขันธ์ห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อก็เป็นนามรูปที่ทุกๆุกคนมีอยู่ในปัจจุบันและก็เพราะกิเลสนี้เองจึงมีความยึดถือในรูปเในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ ก็เป็นตัวเราของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิจ ญ, ญาทก็เป็นตัวเราของเราตัวเราของเราก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาันพราะฉะนั้นขันห้านี้จึงเป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา ก็เพราะว่ามีตัวเราจึงมีของเราก็เป็นอันมีตัวเราของเราดูอย่างเต็มที่ดังนี้ก็เป็นสามัญญชนหรือบุทุชนทั่วไปเมื่อยังไม่ได้สะดับตรับฟังธรรมะของพระอริยะ ของสัตบุรุษยังไม่เห็นพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษก็ยอมจะมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความยึดถืออยู่ดังนี้จึงยังมีกิเลสเพิ่มขึ้น อวิชาก็เพิ่มขึ้นตันหาุปาทานก็เพิ่มขึ้นประกอบกันกันต่อไปเมื่อประกอบกรรมกันต่อไปก็จะต้องมีชาติพบกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อกรร ม, มาสังขารความปรุงแต่งกรรม ประกอบกรรมก่อกรรมมีก็จะมีปฏิสนธิสืบต่อชาติพบกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีกรรมมาสังขารปรุงแต่งกรรมก่อกรรมปฏิสนธิก็จะไม่มีต่อไป หรือกล่าวสั้นว่าถ้าจักไม่มีตัวเราก็จักไม่มีของเราต่อไปอันตัวเรานั่นเมื่อดูซึ่งเข้ามาแล้วก็เป็นตัวอัตตมิมาณนะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็น ตัวอัตสมิมาณะนี้เองเป็นตัวเราอย่างละเอียดและเมื่อมีอัตสมิมาณะความสำคัญหมายว่าตัวเราเรามีเราเป็นเป็นอย่างละเอียดอยู่ดังนี้อัตสมิมาณะนี้เองก็ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนาม หรือว่านามรูปนี้เป็นตัวเรานี่เป็นชั้นหยาบแต่เมื่อมาดูลึกเข้ามาว่าตัวเรานั่นอยู่ที่อัศมิมาณะโูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณหรือว่านา ม, มารูปก็เป็นของเรา เมื่อดูอย่างละเอียดย่อมเป็นดังนี้แต่เมื่อดูอย่างหยาบรูปเวนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือนา ม, มารูปก็เป็นตัวเราและสิ่งที่เนื่องกันเช่นเป็นทรัพย์สิ่งของสมบัติต่างๆก็เป็นของเรา ฉะนั้นเมื่อได้สดับฟังธรรมะของพระอริยะของสัตบุตรได้ฉลาดในธรรมะของพระอริยะของสัตบุตรคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของพระอริยะของสัตบุตรทั้งหลายก็ให้หัดปฏิบัติน้อมใจพิจารณาดูเข้ามาให้รู้จัก อันที่จริงนั้นอยู่ที่ว่าถ้าตัวเราพึงมีก็มีของเราถ้าจักไม่มีของเราก็จักไม่มีอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ความยึดถือและความยึดถือนั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริง การภาวนานั่นก็มุ่งให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็น้อมจิตที่สงบนี้ดูดูให้รู้จักเข้ามาว่าเมื่อพึงมีเราก็มีของเราถ้าจาักไม่มีเราก็ไม่มีของเรา ไม่มีกรรมสังขารความปรุงแต่งกรรมก็ไม่มีปฏิสนธิของเราไม่มีกิเลสคือไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีกรรมของเราพิจารณาให้ได้ปัญญาขึ้นมาดังนี้ โดยที่หัดพิจารณาจับเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาว่าอันที่จริงนั้นก็ไม่มีตัวเราของเราอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไม่รู้ดังนี้ ก็จะ ต, ต้องมีปฏิสนธิก่อโรคเวทนาสัญญาสังขารกันวิญญาณกันต่อไปแต่หากว่าถ้าไม่มีความยึดถือเพราะรู้ตามเป็นจริงปล่อยความยึดถือได้ตัวเราของเราก็ดับไปเมื่อตัวเราของเราดับไป ก็จะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกอบปฏิสนธิสืบพบชายกันต่อไปก็เป็นอันที่ถึงที่สุดทุกพิจารณาให้รู้จักดังนี้เพราะฉะนั้นความที่หัดน้อมจิตไปตามพระพุทธอุทานนี้ว่าตัวเราพึงมีก็มีก็จะพึงมีของเรา เทวจักไม่มีก็จักไม่มีของเราดังนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ตัดกิเลสแม้ยังตัดไม่ได้ก็ทำให้กิเลสเบาบางเพิ่มปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นไปโดยลำดับและการปฏิบัติแม้ดังนี้แลก็เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตสัญญา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 ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระพากอรหันตสมาสมาสมุทติเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมท้งพระธรรมและพระสง์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 ต้องอาศัยสมาธิและสมาธินั้นก็ต้องอาศัยศีลพร้อมกับสรณะเป็นภาพพื้นสรณะนั้น จำต้องอาศัยโดยแท้เพราะธรรมะทั้งปวงอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศ า, ศาสดาฉะนั้น ความรับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็คือการถึงสรณะหรือมีสรณะนั่นเองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรตั้งใจ ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงพระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งความตั้งใจถึงนี้ เป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่มีแบ่งดังบทสวดที่ว่านัติเมรสรังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี บุตรโหมสรนังวรังพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าธรรมโมเมสรนังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าสร้าง โ, โมเมสรนังวรัง ประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าดังนี้เป็นความตั้งใจถึงที่ไม่มีแบ่งไปที่อื่นเป็นตั้งใจถึงที่แน่วแน่และที่มั่นคง เมื่อเป็นดังนี้การถึงศระนี้เองก็นำให้สมาทานศีลนำให้ตั้งใจ ปฏิบัติศีลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ตั้งตนแต่ศีลห้าตั้งใจงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง ตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตั้งใจประพฤติผิดในกามทั้งหลายหรือตั้งใจเว้นจากอภรมมรจิยกิจตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็ดตั้งใจงดเว้นจากน้ำเมา คือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาทผู้ที่มีความตั้งใจยิ่งขึ้นไปก็ตั้งใจปฏิบัติในศีลที่ยิ่งไปศีลนี้ จะเป็นศีลห้าหรือศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่าก็ตามยมรวมอยู่ในลักษณะอันเดียวคือความปกติใจพร้อมทั้งกายและวาจาความปกติใจนั่น ก็คือใจไม่ถูกราคะหรือโลภโทสะโมหะครอบงำดึงเอาไปจึงเป็นใจที่เป็นปกติไม่ได้คิดที่จะละเมิด ศีลข้อใดข้อหนึ่งมิได้คิดที่จะก่อภัยก่อเวรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเมื่อจิตไม่ถูกกิเลส ด, ดังกล่าวครอบงำก็เป็นจิตที่เป็นปกติ เหมือนอย่างน้ำในแม่น้ำที่ไม่มีลมก็เป็นน้ำที่ไหลไปเป็นปกติหรือที่ขังอยู่เป็นปกติเกิดเป็นละลอกลื่นความที่เป็นปกติดังนี้คือศีล และเมื่อจิตถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสติจิตก็ย่อมเป็นปกติเพราะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสตินั้นกิเลสทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะฟงขึ้นมาครอบงำได้ก็เป็นศีลขึ้นมาเองเป็นความปกติและเมื่อจิตเป็นปกติ กายวาจาก็เป็น